อาจารเกษดารู้แล้วลูกศิษย์เยอะๆไงะจะรู้ว่าพยาบาลเรียนอย่างสบายใจไปเที่ยวเตะที่ไหนก็ได้เรียนไปเที่ยวไปไงนะอย่างนั้นไหมไม่ใช่ใช่ไหมอาจารย์ประนิดไม่ใช่เลยนะแต่ที่จบจบมาแต่ละศาสตรแต่ละศาสตรเนี่ยอย่างที่อาจารย์มินิดเล่านะโอ้โหเครียดมากเลยนะกว่าจะจบเนี่ยนะบางคนเนี่ยมพอใช้คําว่าเรียนปั๊บเนี่ยบอกพอกันดีพอกันดีเนี่ยนะมันมันหนักจริงๆมันเหน็ดเหนื่อยจริงๆ ทั้งๆ ท, ที่วิชาเหล่านั้นที่เรียนเพื่อจะใช้ไม่นานเท่าไหรนะ่เนเอาไว้ไปประกอบอาชีพชั่วคราวเนี่ยโอ้ยทแทบตายขนาดนั้นถามว่าแล้วพระธรรมที่จะออกจากวัฏตะเนี่ยมันเป็นงานอาดิเรกหรือนานๆเอามาคิดสักครั้งหนึ่งหรือถ้านานๆคิดครั้งหนึ่งแล้วบรรลุได้นะพระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญบารมีสักกับเดียวก็พอมั้งแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะแนะนาคนอื่นที่จะสอน ผู้อื่นแต่นี้ไม่ใช่ใชไม่ใช่แสดงว่าสิ่งนี้มันมีความพิเศษอะไรที่อยู่ในนั้นเยอะแยะไปหมดเลยอย่างในโลกของมหาภูตรูปเนี่ยนะเราอยู่เมืองไทยก็มีอะไรก็มหาภูตมาที่นี่ก็เป็นมหาภูตเบื้องหลังลึกๆ ก, ก็คือมหาภูตทั้งนั้นใช่ไหมแต่อาราธนาของมหาภูตเหล่านี้เป็นยังไงโอโหมันยุ่งไปหมดเลยเนะี่ยมหาภูตมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยที่จ ะ, จะเจริญกรรมฐานเรื่องมหาภูตเนี่ย ลองไปเหอที่ไหนที่ไหนใส่ใจโดยความเป็นมหาพูดอยู่ที่บ้านเราก็มหาพูดเดินทางมาก็ดูมหาพูดเราจะไปต่อไปก็เพื่อไปเกี่ยวข้องกับมหาพูดมันโลกของมหาพูดเนี่ยโวโหหันภาษ า, าเรื่องราวบัญญัตทั้งมวลในโลกนี้ใช้เสือที่ายมหาพูดเป็นส่วนใหญ่เนี่ยแชทที่บายสืบเพื่อรู้จักมหาพูดมันในโลกของมหาพูดนี่วิจิตจริงๆเลยมาไม่วิจิตมากๆเลยนะ แต่มหาพูดที่วิจิตเหล่านั้นเกิดจากอะไรที่วิจิตจิตที่วิจิตมหาพูดคือร่างกายเนี่ยอสมวัตตะโจอย่างเดียวผิวหนังแต่และคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนนี่คือความวิจิตของของมหาพูแล้วถามว่าถ้ามหาพูดวิจิตขนาดนี้แล้วจิตที่อาศัยวัตถุเหล่านั้นโดยและอาศัยอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยจะวิจิตขนาดไหนจิตที่มีมหาพูดทั้งหมดเหล่านั้นเป็นอารมณ์คําว่ามหาพูดคือสิ่งที่มีวิญ ญ, ญาณครองเหล่านี้นะ แล้วจิตที่ไปมีสิ่งนั้นจะวิจิตขนาดไหนแม้กระทั่งเรื่องเดียวเนี่ยสังเกตดูจากการศึกษาพระธรรมก็สูตรเดียวพิมพ์เหมือนเดิมฉบับเดียวกันนะแต่อ่านแต่ละครั้งทําไมมันคนละอย่างกันอย่างนี้น ท, ทั้งที่มหาพูดเดิมอ่ะนะตัวหนังสือตัวพระไตรปิฎกก็มหาพูดเดิมๆนี่แหละแต่ทำไมมโนวิญญาณจึงเปลี่ยนไปความคิดจึงเปลี่ยนไปบางครั้งก็โสมนัตบางครั้งก็โทมนัตโดยอาศัย สิ่งเดียวกันวัตถุเดียวกันเพราะถ้าคนที่จับหลักปริยัติไม่ค่อยแม่นต้นๆเลยนะไอ้ที่จะมาวิจัยแล้วก็หมุนหมุนในการพิจารณาจริงๆไม่ใช่ของง่ายเลยถ้าหลักการต้นๆไม่แม่นทีนี้ไอ้พวกที่หลักการแม่นก็ไม่ค่อยอยากจะคิดอีกไม่ค่อยน้อมไปเพื่อจะคิดก็ น, นึกว่าตัวเองรู้ไประดับหนึ่งก็เลยไม่มุ่งจะคิดแล้วมุ่งจะไปช่วยให้คนอื่นนะมุ่งจัดการคนอื่นลนะมุ่งไปเป็นผู้จัดการคนอื่นลนะ ก็สังเกตดูที่ที่ศึกษาพระธรรมมาระดับหนึ่งนะไม่ค่อยไม่ค่อยพบคนที่ตั้งใจจะเอาไปเจริญเองเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอาชีพเป็นเรื่องเป็นราวเลยโดยมากที่พบก็คือเป็นผู้จัดการคนอื่นแล้วก็ไม่มีไม่ค่อยเห็นว่าทําแล้วประสบความสําเร็จด้วยนะคนอื่นก็แก้ปัญหาคนเดินก็ไม่ได้แก้ตัวเองก็ไม่รอดก็เลยเ ร, รื่องศึกษากระทั่งกู้นั่นแหละส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะนั้นเขอมานมีมีสิ่งที่จับตาคิดมาเกือบสิบปีแล้วเรื่องหนึ่งว่า ผ้ารหัสสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนว่านั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างแล้วท่านก็ลีกเร้นแล้วพระมหาคสบาเนี่ก็ถือธุดงใช่ไหมถือการลีกเร้นบําเพ็ญเพียร เ, เป็นหลักเออท่านเหล่านั้นนะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีลีกเร้นไม่ได้มุ่งเผยแพร่พสักเท่าไหร่นะเพราะใจจริงๆของท่านมุ่งที่จะจะเจริญเพื่อประโยชน์ตนเป็นหลักเลยแหละเชื่อไหมพระศาสนาดํารงจนถึงยุคเรา แต่พอยุคเรามุ่งจะเผยแพร่ให้คนอื่นนะศาสนาจะอันตรธานหายไปต้องมุ่งจัดการให้คนอื่นมีธรรมะกันหมดอะเว้นแต่เรานี่แหละแล้วคนอื่นก็มุ่งมาจัดการเรารู้เลยทะเลาะกันทุกคนพยายามแต่งตัวให้คนอื่นใช่ไหมอ่าของคุณไปทุนก็มาบอกธรามาทำไมห่มผ้าอย่างงี้ของมาบอกทำไมคุณไปทุนแต่เสื้อแบบนั้นทุกคนก็จะแต่งให้ก่แล้วคนแต่ละคนใช่ไหมถามว่าอะไรจะเกิดขึ้น ราวุ่นวายชันใดยุคนี้ก็ลักษณะฉันนั้นเพราะทุกคนมุ่งอธิบายให้คนอื่นไม่ได้มุ่งอธิบายให้แก่ตัวเองศึกษาพระธรรมเพื่อจัดเป็นผู้จัดการผู้อื่นไม่ได้มุ่งจัดการตัวเองเนี<ม>่ยนเขาส่วนใหญ่มุ่งจะไปแต่งแต่งสีหน้าคนอื่นไม่ค่อยแต่งสีหน้าตัวเองอะไรลักษณะส่วนใหญ่เป็นเป็นเช่น น, น, นั้นการศึกษาพระธรรมในยุคนี้จึงไม่แปลกใจเลยที่ที่าศาสนาเสื่อม น้อยคนนักที่จะคิดว่าเออเนี่ยนะพระาศาสนาจะเสื่อมแล้วนะอะไรมั่งที่เรายัางทำไม่เสร็จอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องรีบทำเชื่อไหมถ้าคุณทำอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคนอื่นจะเอาเยื่องอย่างอีกเยอะแยะแล้วเขาจะทำตามด้วย แต่ถ้าเป็นผู้จัดการคนอื่นนะโอ้เขารําคาญมากมาอีกแล้วหรือเนี่ยผู้ดูแลเรามาอีกแล้วหรือเนี่ยเขาบอกว่าอย่าว่าคนอื่นเลยสามีภรรยาเนี่ยภรรยาชอบแต่งตัวให้สามีมากนะสามีก็ ก, ก็ก็ไม่ค่อยสนุกเลยนะสะรุปว่าอีกฝ่ายหนึ่งถ้าไปจุนจ้านกับอีกฝ่ายหนึ่งจนเกินไปมันเป็นเรื่องที่น่ารําคาญฉันใดพระธรรมก็ลักษณะเดียวกันเพราะนั้นพระอริยาสาวกสมัยก่อนจริงๆที่ท่านเหล่านั้นดํารงาศาสนาไว้ได้จนถึงทุกวัน เพราะท่านเหล่านั้นเห็นแก่ประโยชน์ตนถ้าประโยชน์ตนดีจริงคนอื่นก็จะเอาบ้างใช่ไหมเคยคือถ้าถ้าสิ่งที่เรามีถ้าสิ่งนั้นเป็นของดีจริงบุคคลอื่นก็ปรารถนาก็เหมือนอย่างที่เรียกว่าถ้าเราเป็นผู้มีสินดีจริงแล้วก็มีความสุขในศีลใครบ้างไม่ต้องกังวลความสุขใช่ไหมเขาก็ต้องมาเอาตามบ้างอะ่ะเพราะนั่นเป็นความสุข นี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราตั้งอัตตาสัมมาปณิที่ให้ดีเราจะศึกษาคําสอนได้อย่างอย่างมีความสุขด้วยเนี่ยของเราทั้งหลายเวลาเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเราไม่รู้หรอกว่าอินทรีย์ของคนอื่นเขาเป็นยังไงเขาพร้อมแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเราไม่รู้พระพุทธเจ้าพระองค์รู้เพราะการทํางานของพระพิสุในยุคนี้เป็นต้นจึงไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยจึงไม่ประสบความสําเร็จทงางศาสนาก็เห็นแต่จะร่วงโรยไป น่าเชื่อน่าคิดเป็นไปได้ว่าอนาคตต่อไปเนี่ยประชาชนจะได้ไว่า้สังเวชนียสถานคงไม่มากนักคงจะลดลงเพราะจริงๆแล้วการว่ายสังเวชนียสถานก็เพิ่งมีมาไม่กี่ปีนี้เองเนะที่เอาเป็นอะไรนะเป็นธุรกิจนะเป็นธุรกิจเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยมีบริษัททัวร์จัดไปทุกแห่งมีโรงแรมให้พักอะไรเนี่ยเนะพิ่งมาเข้าท่าเข้าทางไม่ไม่นานนี้เอง ก่อนหน้านั้นแม้แต่ห้าปีที่แล้วหรือสิบยี่สิปีที่แล้วหรือสมัยอาจารย์สุมน์หนุ่มๆที่ท่านมาบ่อยๆเนี่ยนะอาจารย์สุมน์นี่มาอินเดียมากมาบ่อยมากแล้วก็มาแต่ละครั้งบางทีมาอยู่เป็นเดือนๆบางครั้งเขาบอก ว, ว่าผมเนี่ยเบื่อจริงๆเลยเช้าวาต้องไปแล้วเลยเนี่ยท่านเล่านะเพราะท่านอยู่เป็นเดือนๆนะ น, นะรุ่นอาจารย์ปนิดอะไรเนี่ยเขาจะมาบ่อยมากสมัยนั้นมาแบบพระให้พระไทยที่มาเรียนหนังสือที่นี่เป็นไก ก็พาไปเช่ารถตุเรงตุเรงตุเรงไปซึ่งไม่ได้มีความสะดวกสบายอะไรเหมือนกับตอนนี้เลยนะตอนนี้นี่ก็จริงๆแต่ละอย่างเนี่ยดีหมดเลยนะอย่างสมัยผู้การมารุ่นแรกรถแอร์มีหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะรู้จักหรือเปล่าว่ารถแอร์เป็นยังไงถนนหนทางเนี่ยที่ลาดยางแบบทุกวันเนี่ยจะมีเท่านี้หรือสมัยก่อนนี่ยุ่งมากแล้วถามว่าอนาคตต่อไปเนี่ยนะเออเครือข่ายอิสลามมีอํานาจมากขึ้น คริดอิสลามโดยเฉพาะอิสลามเนี่ยนะพวกนี้จะไม่เห็นว่าเป็นกําไรอะไรพวกนี้ไม่ต้องการพวกนี้บูชาทิฐิเป็นหลักเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วจะได้ทําให้กําไรเยอะๆพวกนี้ไม่สนใจเพราะถือว่าพวกใดที่ไม่มีทิฐิเหมือนตนก็เป็นเป็นศัตรูทําลายได้ทไไดําลายเลยเพราะในยุคต่อๆไปเนี่ยพุทธศาสนาก็คงที่จะอยู่ยากแล้วก็เราทั้งหลายที่ได้มาไหว้สังเวชนียสถานก็ควรดีใจ เพราะว่าอนาคตต่อไปแน่ใจหรือว่าจะได้มาเพราะอย่างเนี้ยอย่างอินเดียกับปากีที่มันทะเลาะกันเนี่ยนะจริงๆแล้วเรื่องศาสนานีคืออิสลามกับพราหมณ์หรืออิสลามกับฮินดูเนี่ยทะเลาะกันนั่นแหละสงครามทุกสงครามเนี่ยบางทีก็สงครามเรื่องศาสนาเป็นเบื้องหลังซะส่วนใหญ่ไอ้ที่ทะเลาะกันเพราะเรื่องวัตถุกรรมนั้นไม่เท่าไหร่หรอกเพราะมันจัดแจงกันได้ใช่ไหมมันจัดสรรผลประโยชน์หน่อยก็ลงตัวแล้ว แต่ถ้ามีทิฐิเบื้องเป็นเบื้องหลังนะผลประโยชน์ยังไงมันก็ไม่ค่อยสนใจเนี่รนะพันธุ์ที่มาแห่งการเข็นการฆ่าอย่างพระพุทธศาสนาที่หมดจากเวียดนามเนี่ยแม้กระทั่งต่อไปเนี่ยแม้กระทั่งจะมาไหว้สังเวชนียสถานนี้ก็เชื่อว่าจะไม่ง่ายเพราะถ้าถ้าฮินดูกับอิสลามทะเาะกันนะก็ไม่ต้องไปแล้วะนะเป็นอามาพิกอมาพาไปหมดไปที่ไหนก็ไปไม่ได้เพราะยิ่งพวกอิสลามด้วยไม่สนใจนีไม่ไม่ไม่สนใจเลย ไม่สนใจพวกลัทธิอื่นพวกทิฏฐิอื่นก็ไม่เอาด้วยเลยมันทิฏฐิมันจะรุนแรงขึ้นขนาดนั้นมันที่เราได้มาหัวนระลึกในยุคนี้ซึ่งถือว่าเป็นยุคที่เฟื่องฟูที่สุดสบายที่สุดแล้วในการมาไหว้สังเวชนีสถานถ้าใครมีบุญก็ควรทําซะเรียกทำซะจะได้ไม่เสียใจในภายหลังนะเพราะว่าประชาชนถ้ายิ่งมากขึ้นกิเลสมันก็มากขึ้นกิจกรรมที่ทําให้เป็นไปเพื่อลดบานาธิบาสน้อยลง ถามว่าดูแต่อะไรดูจากภา พ, พยนตร์ที่ประชาชนชอบดูกันดูจากหนังละครทีวีทั้งหลายที่ประชาชนเนี่ยนะดูมากที่สุดก็คือดูการทำปาาธิบาตมีความสุขกับการดูการทำปาเตปปาณาธิบาตของบุคคลอื่นมีความสุขที่ได้เห็นคนอื่นทาการเมสุมิชชาจารมีความสุขที่เห็นคนอื่นดื่มสุราและเมรัยเป็นต้นมีความสุขกับคนอื่นมูสาวาต หรือมีความสุขกับที่การดูผู้อื่นใช้พุทธสวาจารหรือมีความสุขกับการดูคนอื่นเข้าทําสัมผัสปลาปะอัะนะนี้ทันทีมันก็ประกาศในตัวอยู่แล้วว่ากุศลกรรมบทจักเสื่อมหายไปอันตรธานไปจากโลกเนี่ยนะนะกุศลธรรมนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ชั่วคราวจริงๆกุศลธรรมนี้ยังมีอยู่ชั่วสมัยที่าศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางดํารงอยู่ ถ้าศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดไปกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็ค่อยๆหมดไปค่อยๆหมดไปค่อยๆ อ, อันตรทานไาเนี่ยซึ่งก็อ น, นี้ก็เป็นการพิจารณาถึงอ น, นิจจสัญญาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะทั้นคำว่าอ น, นิจจังนี่มันไม่ใช่ไปจ่อเรื่องเดียวจนโห ม, ม้มองอะไรเป็นหลอดไฟเนี่ยนาะทีเกิดดับกี่ครั้งเนี่ย ไม่ทำไมจะต้องเราโอ้โหต้องจะต้องตามจอดเอาแล้วทายแต่ละเม็ดเนี่ยอย่างปูนเนี่ยสมมติอ่ะมันมีอายุใช้งานอยู่สมมติปูนหนึ่งที่ฉาบเนี่ยนะอายุใช้งานถึงร้อปีไหมไม่ถึงถ้าฉาบบางด้วยยิ่งยิ่งเสื่อมคุณภาพเร็วถ้าฉาบหนาก็ ย, ยังชั่วหน่อยไปต้นเนี่ยนะทีนี้ถามว่าแล้วเราต้องไปจ่อให้ทันเลยใช่ไหมโอ้โหมันเนี่ยนะสมมติมันมีอายุใช้งานอยู่ห้าสิบปีเนี่ยแล้วมันเกิดดับไปเท่านั้นแล้วมันยังเหลือเท่านี้จะต้องไปจ่อขนาดนั้นไหม มันไปใส่ใจโอ้โหนี่มันเรายิบระยับมันแตกดับพับๆไปหมดเลยไหมมันก็ไม่มีใครเข้าไปคิดกันอย่างนั้นหรอกแต่ถึงคิดอย่างนั้นก็ยังไม่เห็นอา น, นิสงอะไรนอกจากความเป็นบ้าเนี่ยนะ mm hmm. ที่จะไปคิดอย่างนั้นจนเกินไปเนี่ยไม่ได้เป็นนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเลยถ้าพิจารณาดูความเบื่อเพื่อถ้าทําอย่างนั้นแล้วเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะก็ฟังเสียงดนตรีเนี่ยเพราะในหนึ่งนาทีมันข้อกี่ครั้ง มากนะแต่ถ้าดนตรีแต่และดนตรีดนตรีที่ยิ่งอลังการขนาดไหนนะยิ่งใช้อาเสียงที่วิจิตพิสดารขนาดนั้นพันการพิจารณาในสิ่งเหล่านี้เนะี่ยเป็นการพิจารณาทุกอย่างโดยรอบโดยครบถ้วนบริบูรณ์จนเรียกว่ามหาพูดเหล่านี้จะแสดงตัวในแง่ใดมาก็ยังเบื่อหน่ายอยู่ดีถึงมหาพูดที่น่าปรารถนาแค่ใดก็น่าเบื่อหน่ายพน แม้แต่มหาพูดอันเป็นของทิศ ท, ท่านเหล่านั้นก็ยังไม่ต้องการมนกันจะกล่าวไปยายถึงมหาพูดอย่างอื่นเล่านะสรุปว่าปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดโดยประการทั้งปวงที่ท่านแสดงว่าพิจารณาจึงกระทั้งเห็นสังขารโดย เ, เหมือนกับเมล็ดงานในกระทะที่แตกนะครับหมายความว่าไงครับเธอผู้ที่เจริญได้ระดับสูงสุดขนาดนี้มันก็ไม่ค่อยมีปัญหา แต่โดยทั่วๆไปเนี่ยคนฝึกใหม่ๆเนี่ยนะจะพยายามให้เห็นเป็นเช่นนั้นคือถ้าผู้ที่พิจารณาโดยเฉพาะแยกแยกสมุดฐานสี่มาเป็นอย่างดีแล้วนะที่จะเห็นลักษณะแบบมเมล็ดงามันก็ไม่ชั่วยากนักเพราะเช่นพราะเขาจะเพิ่มพิจารณาของแต่ละสิ่งโดยโดยสมุดฐานคือเขาใส่ใจโดยสมุดฐานเป็นหลักเช่นโดยใส่ใจโดยกรรมมาสมุดฐานซึ่งเกิดโดยทุกเกิดทุกอะไร จริงๆแล้วเกิดทุกอนุขณะจิตก็แสดงว่ารูปเหล่านี้ก็เสื่อมทุกอนุขณะจิตอันนี้เฉพาะในส่วนที่เป็นตรร ม, มาชรูปแล้วส่วนที่เป็นจิตตชรูปล่ะจิตตชรูปนี้ชาวนะทางปัญจทวารวิถีก็ทําจิตตชรูปทำนะแต่ไม่ทําวิญญาตทําจิตตชรูปแต่ไม่ทําวิญญาตแล้วที่มีจิตที่เป็นมโนวิญญาณล่ะที่ทําจิตตชรูป แล้วถ้าถามว่าแล้วอาหารสมุทรฐานและอุตุสมุทฐานถ้าแยกสมุทฐานอย่างนี้ทั้งสี่สมุทฐานจะเห็นถึงความไม่เป็นเอกภาพหรือความไม่มีไม่มีความมั่นคงอยู่ในในสิ่งเหล่านี้เลยถามว่าภายในหนึ่งนาทีนี่หัวใจบีบกี่ครั้งแล้วถามว่าความเร็วของเลือดเนี่ยนะที่มันสูบฉีดเนี่ยนะหมายถึงว่าความเร็วของเลือดเนี่ยถ้าวัดแล้วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าพูดถึง จริงๆแล้วนะถ้าเขามีการคำนวณแล้วจริงๆเนี่ยวัดได้มันวัดได้ว่ า, าสมมติว่ามันสูบฉีดขึ้นมาเนี่ยนะมันสูบฉีดที่เลี้ยงร่างกายเพราะมันต้องไหลเวียนตลอดนะเลือดต้องไหลเวียนตลอดใช่ไหมมันค้างสักถึงถึงสิบนาทีได้ไหมเลือดค้างถึงสิบนาทีโดยที่ชะงักเนี่ยนะอโอ้ตายไปตั้งงานแล้วนะถ้าสิบนาทีเดียถ้าเช่นหัวใจไม่ตั้มสิบนาทีเลยนะเลือดมันก็เลิกสูบฉีดใช่ไหม จริงๆสีหน้าทั้งหลายของเราทั้งหลายเนี่ยเส้นเลือดฝอยที่มันมีอยู่มันยื่นออกมาตามผิวหน้านะมีเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยมาเนี่ยมันต้องได้รับการสูบฉีดอยู่ตลอดเวลามันทุกอย่างมันจึงจ ะ, ะเป็นไปได้ดีแล้วถามว่าไอ้ตัวที่ไปบีบให้ให้หัวใจมันทํางานเนี่ยนะให้มันปั๊มขึ้นในอะไรรูปจิตตชโรคเนี่ยนะถ้าเช่นถ้าเลือดเลิกไปเลี้ยงส่วนนั้นๆ น, น, นะนะโดยเฉพาะเช่นสมองหรือเอ่ อ, อสรีระบางส่วนที่เลือดเลือดเลิเลกไปเลี้ยงอะไรจะเกิดขึ้น ที่ใดเลือดไม่เลี้ยงที่นั่นก็เรียกว่าที่ตายนนะเซลล์ตรงนั้นก็ตายแล้วใช่ไหมเสียหายแล้วเพราะไม่มีอาหารไม่มีเลือดเป็นต้นไปหล่อเลี้ยงพร้อมที่จะแตกทําลายพร้อมที่จะเสียหายพันธถ้าพิจารณาโดยสมุทฐานมากจริงๆจะไม่ใช่ปัญหาเดนะี๋ยนะหมายถึงว่าคนที่เจริญถึงอย่างนั้นจริงๆสามารถที่จะเห็นความเกิดดับแบบรวดเร็วอย่างนี้เลยครคือเขาสามารถใส่ใจถึงว่าเออความเป็นไปของสังขารเนี่ยเป็นอย่างนี้ การวิจัยพวกนี้เนี่ยพอไปถึงระดับนี้เนี่ยถึงใส่ใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงว่าเออมันแต่ละอย่างมันไม่เที่ยงอย่างรวดเร็วตรงนั้นเขาต้องการติดตามให้ทันความไม่เที่ยงเหล่านั้นหรือเจริญเพื่อจะได้รู้จักโอ้ยตามจอให้มันเห็นถึงความไม่เที่ยงไปหมดเลยใช่ไหมไม่ใช่วัตถุประสงค์จริงๆคืออะไรนั่นแหละจึงพยายามพูดอริยสัจ ต, ตั้งกับต้นทําความเข้าใจในเรื่องอริยสัจในตอนต้นๆให้ดี สมมติถ้าตามเห็นใช่ว่าเห็นผมเนี่ยไม่เที่ยงเนี่มันด้ยึบรีบแต่แล้วมันบรรลุอริยสัจได้ยังไงมันเห็นสัจจะสีได้ยังไงอะ น, นะพราะไม่เที่ยงบางอย่างที่ ท, ที่ที่แนวความคิดของคนยุคใหม่ไม่เกื้อกูลต่อการรู้อริยรสัจสักเท่าไหร่ทั้งๆั้งที่สามารถคํานวณอะไรได้หมดเลยใช่ไหมล้อรถเนี่ยกี่รอบต่อหนึ่ง กี่รอบจะได้หนึ่งกิโลเมตรนะเขาคำนวณได้หมดเลยทุกเรื่องคำนวณได้หมดแม้กระทั่งเครื่องบินในบินเนี่ยมันใช้น้ำมันเท่าไรอะไรยังไงเผาผลาญเท่าไรอะไรยังไงเขารู้ความเสียหายแตกทำลายของสิ่งเหล่านั้นถามว่าเกือกูลต่อการบรรลุมรรคผลอะไรไม่มีเลยบาปอากุศลยิ่งกลม่มรม พันการทําความเข้าใจในอริยสัจเนี่ยจึงสําคัญมากในตอนแรกๆเลยนะนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขนิโร ธ, ขโรธาขามินีปฏิปทาการใส่ใจในส่วนเหล่านี้จะต้องจะต้องมากจะต้องเพียงพออย่างสมมุติถ้าเรามองถ้าใสา่ใจว่าจักขูจักขูสมุทัยจักขูนิโรจักขูนิโรธาขธ า, ามินีปฏิปทาตัวจักขูเองเนี่ยมันต้องอาศัยเลือดมาเลี้ยงใช่ไหมเส้นเลือดฝอยที่มาเลี้ยงใน ในตัวลู ก, กตาเนี่ยถามว่าถ้าเลือดมาเลิกปั๊มเมื่อไหร่เลือดไม่ส่งมาเลี้ยงลูกตาเนี่ยตาจะเป็นยังไงตาก็ขาดอาหารชรูปใช่ไหมคืออาหารชรูปเนี่ยมาพร้อมกับจิตตชรูปนนะเพราะอาหารเนี่ยมาพร้อมกับน้ําเลือดถ้าอาหารถ้าถ้าหัวใจเลิกปั๊มเลือดเลิกฉีดเลิกเลิกสูบฉีดมาอาหารเข้ามาเลี้ยงก็ไม่ได้ถ้าอาหารมาเลี้ยงที่ใดๆไม่ได้ที่นั้นก็พร้อมที่จะผุหรือเน่า นะพรอมที่จะผุเน่าหรือเปืเ่อยนะเขาถ้าไม้เขาเรียกผุถ้าคนเขาเรียกว่าเปื่อยเขาไม่เรียกว่าอะไรเขาไม่เรียกว่าอะไรนะแบบผุนะเขาไม่เรียกว่าผุหรอกบอกแม้ผิวของผมผกไปหน่อยองเงี้เขาไม่พูดเลยเขาใช้คําว่าเปื่อยถ้าไม้เขาใช้คำว่าผุนะแต่ว่าจะพูดให้นึ ก, กว่าเหมือนไม้มันผุ ม, นผมันเน่ามันเปื่อยเหมือนกันหมดต้นไม้ก็เหมือนกันนะถ้าที่ใดที่ยางไม่ไปเลี้ยงแล้วนะกิ่งใดที่ยางไม่ไม่ไม่ไปเลี้ยงลําต้นนะอะไรจะเกิดขึ้น ร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้าที่ใดที่อาหารชร้อไม่ไปหล่อเลี้ยงอะไรจะเกิดขึ้นเพราะอาหารชร้อมันเป็นไปพร้อมกับน้ําเลือดนะไปพร้อมกับเลือดถ้าเลือด เ, เ, เลือดเลิกไปเลี้ยงณที่นั้นๆเนี่ยอะไรก็พร้อมที่จะแตกทําลายพร้อมที่จะเสียหายแต่การคิดอย่างนี้ไม่ได้คิดเพื่อการรักษาแล้วก็ไม่ได้คิดจาะอยู่แค่จุดนั้นจุดเดียวแต่คิดยังไงเนอจึงจะเบื่อหน่ายและคลายกำหนับซึ่งกรรมสกตาต้องแม่นมากๆเลยนะ การมศกตาต้องดีซึ่งเกี่ยวกับการทำปริญญาในชั้นรายละเอียดนี้เขามาเชื่อว่าเป็นเป็นวิชาใหญ่มากๆเลยเป็นวิชาใหญ่มากๆซึ่งคนจะต้องจำสูตรค่อนข้างแม่นแล้วจึงจึงจะวิจัยอะไรได้แล้วขณะเดียวกันนั้นอากุศลคืออภิชากับโทมานัตต้องไม่กลุ่มรุ ม, มนะกิจกรรมนี้จึงวิจัยไปได้ดีถ้าอภาิชาและโทมนัตกลุ้มรุมไม่ง่ายเลย เห็นปั๊บชอบไปเลยก็เลิกแล้ไม่ต้องคิดแล้วธรรมะเนี่ยนะอริยสัจไม่เอาแล้วถ้าเห็นปั๊บเกลียดขี้นหน้าเลยเนี่ยอริยสัจอะไรไม่คิดพันวิชาธรรมะนั้นเป็นวิชาที่ไม่เหมือนวิชาอื่นโต้ให้บอกว่าคุณศึกษาสิ่งนี้โดยที่ไม่มีอภิชากับโทมนัสเออนี่คือข้อห้ามห้ามชอบแล้วก็ห้ามชังแต่ว่ามนสิการด้วยจิตที่เรียกว่าปานกลางจริงๆโดยที่อกุศลไม่ครอบงําเนี่ยแล้วคน้นคว้าวิจัยสิ่งนั้นไป อันนี้ที่เรียกว่าผมมีหลายส่วนหลายอย่างนะที่ที่เป็นความลึกซึ้งของพระธรรมถ้าถหาว่าง่ายหรือการวิเคราะห์ไม่ลึกซึ้งกว้างขวางอะไรเลยเราก็ฟังอริยสัจกันแต่ทําไมเราไม่บรรลุเหมือนพระอัญญาโกฏัญญาสูตรเดียวกันเนี่ยเราก็อ่านมาตั้งหลายครั้งทําไมเราไม่เห็นแบบพระอัญญาโกฏัญญาพระัญญาโกธัญญะท่านคิดอะไรท่านจึงจึงเห็นอริยสัจเหล่านั้นเนี่ยนะอันนี้คือส่วนที่เป็นโจทย์ที่เราจะต้องไป ไปวิจัยมากๆเอาไปเอาไปไขขวมาท่านรู้ยังไงเนอท่านบรรลุยังไงเนอทําไมท่านจึงบรรลุก็สูตรเดียวกันเราก็คิดตามท่านอะ่ะแต่ทําไมเราไม่บรรลุเหมือนท่านท่านเห็นส่วนไหนเนอท่านปุจชาปุจช า, าระเนี่ยนะปุจชาร์ในเทศนะหาระเนี่ยข้อพายปุจชาในวิจัยหาระนะต้องตั้งโจทย์เป็นแล้วก็วิจัยไปตามนั้นไปเลือกเส้นยังไงแค่ไหนจึงจะสมควรแก่การรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ4ี่ประการเนี่ยนะ ก็จริงก็อยากจะผ่านเรื่องนี้ไปก่อนเพราะว่าเรื่องนี้จริงมันเป็นวิชาที่โหเรื่องยาวมากๆเลย ท, ที่จะสนทนานะเพราะว่าขันไม่ได้มีขันเดียวมีตั้งห้าขันท่านรู้รู้จริงขันหนึ่งจะต้องรู้จริงอีกสี่ขันด้วยเนี่ยนะอันนี้ตรงนี้ที่จะต้องเชื่อมโยงไปหานามมาทำทั้งหลายด้วยอยูขอความกรุณาท่านจแจ้งตรงนี้อีกหน่อยนะครับเรื่องทุกขานุปัสสนากับอนัตตานุปัสสนา มีรายละเอียดเปลีกย่อยจากอนิจจานุปัสสนาอย่างไรบ้างก็จริงๆในสิ่งที่ไม่เที่ยงอันนั้นเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทุกอยู่แล้วใช่ไหมทุกสิ่งที่ไม่เที่ยงทุกอย่างในโลกนี้นะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทุกเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทุกอย่างไงอย่างร่างกายของเราก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทุกเราก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นวิปริณามะ วิปริณามทุก็ก็เพล่อเพลินสังขารทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงอันนั้นก็เป็นสังขารทุกข์ก็สิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งทุกขทุกเป็นที่ตั้งแห่งวิปริณามทุก์และเป็นที่ตั้งแห่งสังขาระทุกข์ตัวเขาเองก็เป็นสังขาระทุกข์ด้วยตัวของสังขารที่ไม่เที่ยงเหล่านั้นเนี่ยนะแต่ว่ามันมันสะท้อนให้ให้เกิดทุกขะทุกนี่สิมันน่ามันน่าคิดนะนี ก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะถามว่าโรงแรมนีนะ้สัตว์ทั้งหลายมาร้องไห้กันเท่าไหร่แล้วมีผู้แม้กระทั่งเจ้าของหรือผู้มาใช้บริการเนี่ยนะเสียใจเท่าไหร่แล้วหลังองนันนี้อาคารเนี่ยทั้งเจ้าของทั้งผู้ใช้สอยทั้งพนักงานทั้งหลายเนี่ยนะน้ำตาเท่าไหร่แล้วอยู่ในสถานที่ตรงนี้อันนี้ไม่ธรรมดานะมันเป็นแม้กระทั่งตัวโรงแรมตั้งทั้งที่คื อ, อวินิโพครูปเท่านั้นเอง เสียใจกันเท่าไหร่ดีใจกันเท่าไร่หัวร้อง ก, กันเท่าไหร่ร้องให้กันเท่าไรถึงดูแลดียังไงโรงแรมนี้ก็ต้องผุแตกทําลายตายเป็นธรรมดาสังขารภายในก็ลักษณะเดียวกันคือเมื่อสิ่งที่แตกทําลายแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งสารพัดทุกข์เนี่ยนะเราจะว่าสิ่งนั้นสุขหรือทุกข์เล่าก็ถือว่าเป็นทุกข์ล่ะแล้วใครมีอํานาจในสิ่งเหล่านี้จริงๆอ่ะมีอํานาจอย่างแท้จริงคนที่พอจะแก้ไขได้อย่าง ผู้บริหารที่ฉลาดก็คือรู้ปัจจัยเท่านั้นเองแต่ทั้งๆ ท, ท, ที่บางอย่างก็รู้ปัจจัยแต่ว่าถามว่าถึงรู้แก้ได้ไหมรู้รู้อยู่นะถามว่าแก้ได้ทั้งหมดทุกเรื่องไหมไม่ง่ายเลยอย่างนั้นเถอะทั้งๆ ท, ที่รู้รู้อยู่นะว่าปัญหาตรงนี้มันแก้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ถึงขนาดนั้นถึงรู้หาเหตุเพื่อจะแก้ก็ไม่ใช่จะแก้ง่ายๆเนี่ยนะแต่เรื่องนี่โอ้เรื่องยาวเรื่องใ ย, ย่อยพันให้รู้ว่าสังขารเหล่านี้เนี่ยไม่ตัวเข้าเองไม่เที่ยงด้วยแล้วก็เป็นที่ตั้งงแห่ ทุกคาตาสามด้วยแล้วก็ไม่มีใครมีอำนาจว่าจงเที่ยงนะแล้วก็จงจงเป็นสุขนะเป็นปั จ, จัยแก่สุขโดยส่วนเดียวไม่ต้องมีทุกเลยแล้วก็อัตตาจริงๆก็ไม่มีด้วยว่าอะไรคืออัตตาพอที่จะมาเป็นผู้มีอำนาจบงการถ้าบอกว่าจิตไงจิตไงเป็นผู้บงการแล้วจิตต้องอาศัยอะไรบ้าง วัตถุ ก, กับอารมณ์อาศัยนามรูปจิตจึงเกิดขึ้นจิตเองแล้วเนี่ยเมื่อเวลาเกิดขึ้นมันจะไปบงการใครได้ใช่ไหมแต่ปุถุชนผู้ไม่ได้ทำปริญญาพิจารณาโดยรอบคอบว่าจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยมีองค์ประชุมเท่าไหร่มีองค์ประกอบเท่าไหร่อยู่ในนั้นเนี่ยนะก็เลยนึกว่าตัวเองนั้นมีมีอำนาจอย่างรถเนี่ยเหมือนคนขับรถมีอำนาจในการใช้รถเอาอยากเบรกให้มันหยุดมันก็หยุดไงเดินเครื่องมันก็เดินอยากติดเครื่องก็ติดอยากดับเครื่องเครื่องมันก็ดับ เหมือนมีอำนาจถามว่าถ้าล้อหลุดไปสองล้อนะ่ะอะไรจะเกิดขึ้นล้อมันทั้งหมดมันมีสี่ที่ใช่ไหมถ้าล้อไปหลุดไปข้างหนึ่งแล้วนะจะคนขับมีอำนาจอะไรบ้างอา่ะมันก็ไม่มีถ้าสายมันขาดเส้นเดียวเนี่ยนะเหมือนกับที่เราขับมานะกดปุ่มอะไรบนรถใช้งานได้ไหมมันก็ทําไม่ได้มันก็ต้องลงไปซ่อมในที่ตรงนั้นคือเหมือนมีอำนาจแต่จริงๆแล้วเพราะเป็นไปตามปัจจัยเนะีนะ่ย อย่างเหมือนก็ว่าอยากจะเบรกเมื่อไหร่ก็เบรกก็ลองผ้าเบรกไม่มีสิน้ำมันเบรกไม่มีสิอะไรจะเกิดขึ้นหรือถ้ามันที่มันชันลงเหวลึกเลยนะเบรกยังไงจะอยู่เบรกว่ายัางไงนะถ้ามันลึกสักแบบนะขนาดนี้เลยนะแล้วเบรกอยู่ยังไงอ่ะถึงเบรกมันก็คูดลงไปจนได้นั่นแหละนี่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือถ้าหากว่าผู้ไม่แยบคลายจริงๆแล้วเหมือนตัวเองมีอำนาจแต่ถ้าพิจารณาโดยแยบคลายจริงๆเนี่ย ไม่มีอำนาจนะปวดหัวนี่มีอำนาจได้ไหมเราลองป่วยๆนี่ถ้ามีอำนาจจริงนะขออย่าป่วยเถอะอย่าป่วยเถอะเพราะมันพวกนี้มันเป็นไปตามอำนาจของปัจจัยแต่ปัจจัยหลักๆที่ทําให้เป็นไปเหล่านี้ที่น่ากลัวที่สุดคืออวิชชาในความไม่รู้สิ่งเหล่านี้อันนี้น่ากลัวที่สุดปัญหาที่เพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้ก็น่ากลัวมาก สิ่งเหล่านี้ทั้งอวิชาตัญหาเป็นปัจจัยแก่กายกรรมวิมจิกรรมมโนกรรมที่โยนไปหากองทุกเหล่านี้อีกต่อไปก็ก็น่ากลัวเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามปัจจัยแล้วก็ไม่มีใครมีอํานาจในสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงโดยสมบูรณ์โดยบริบูรณ์ใครที่ไปลหลงไหลเพลิดเพลินให้ค่าให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้จะมีอะไรนอกจากน้ําตาต้องจ่ายด้วยน้ําตาใช่ไหม ถ้าเข้าไปเพลิดเพลิน เ, เข้าไปหวังมีอะไรบ้างที่ที่ที่ไม่ต้องเสียใจในสังขารทั้งหลายไม่มีเป็นที่ตั้งแห่งร้องไห้อยู่ดีเขาบอกว่ากิเลสที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้นะกิเลสตัวตันหาเนี่ยเพลิดเพลินในตอนแรกแต่ก็ร้องไห้ในในตอนหลังเขามานึกขำอยู่เจ้าหนึ่ง เป็นเป็นเด็กผู้หญิงอะนะเขาเล่าให้ฟังเขามาฟังทุกวันเลยยังค้าจนทุกวันเลยนะเขาไปชอบไอ้ชายหนมที่ไปสร้างถนนเด็กหญิงบ้านนอกอะนะไอ้พวกรอประชอพวกนักสร้างถนนก็ไปสร้างใช่ไหมเขาก็ผู้ชายเขาไปคุยด้วยอ่ะนะเขาบอกเขาชอบผู้ชายคนนั้นมากระหว่างนั้นอยากจะหนีตามเขาจริงๆเขาจะพาไปกัดกินก้อนเกลือก็ยอมระหว่างนั้นถามว่าถ้าไปตามจริงก็กัดกินก้อนเกลือจริงๆอะไรไอ้ตอนแรกที่มันมีอาสาท่ามันก็ว่าดีใช่ไหม ตอนหลังพออาสาท่หมดอะไรเกินอาร์ทีนวะล้วนๆคันนี้เหมือนร่างกายของเราเลยนะตอนแรกเราก็ว่ามันดีดีเรามีอํานาจนะอยากเล่นกีฬามันก็เล่นได้หมดเลยตอนนี้ล่ะโอยจานเกตเดินเข้าจานขึ้นเขาคิ้จักรูดไว้นี่ก็แจวแล้วไม่ได้มีใครมีอํานาจในในสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงอะไรแต่ทีนี้เนื่องจากว่าอะไรนะ ความที่เราจะว่าเผลอไปก็ได้จะว่าความไม่ฉลาดของเราก็ได้ที่เราไปคิดว่าเรามีอำนาจกับกับตาเนี่ยเช่นมีอำนาจกับร่างกายเหมือนกับเรามีอำนาจกับคนอื่นเราบอกอะไรเขาก็เชื่อฟังเราหมดเพราะความไม่แยบคายของเรานั่นแหละเราจึงคิดว่าเหมือนเรามีอำนาจในสิ่งเหล่านี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีอานาจอะไรเลยไม่ไม่มีใครมีอานาจในสิ่งเหล่านี้เลยพันทางออกที่พระพุทธเจ้าแนะนา คือแนะนำให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เพั้นเธอทั้งหลายไม่ควรไปสำคัญหมายด้วยตัณหามานะและทิฏฐิจงตามเห็นโดยสม่ำเสมอเธอว่าเนตังมมะไม่ใช่ของเราหรอกเนโซหมาสมิ so เราไม่ได้เป็นสิ่งเหล่านั้นหรอกณเเนเมโซอาตาติ ne, uh, ne, uh, ne so at บอกว่านั่นไม่ใช่อัตตาของเราอะไร มันก็คือให้ตามเห็นโดยสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาถ้าเห็นตามนั้นตามเป็นจริงก็จะเบื่อหน่ายในวัตถุทุกเหล่านีนนะ้เพราะไม่มีใครมีอำนาจอย่างแท้จริงแต่ดังกล่าวว่ากิจกรรมของคนที่ไข้ควรเหล่านี้เนี่ยนะความตื่นตัวเนี่ยตื่นตัวทางความคิดเข้าสูงมากสังเวชวัตถุนเนี่ยเป็นเหตุให้ตื่นตัวทางความคิดถ้าความคิดถึงจะคิดเรื่องไม่เที่ยงนะถ้าขาดความตื่นตัวความสมบูรณ์เครียกว่าชาคริยธรรมเนี่ยนะ ชาครยานุโยคคือนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมแล้วเพ่งสิ่งนั้นจริงๆอ่ะถ้าไม่อย่างา น, นั้นนี่ไม่พอที่จะทําที่สุดแห่งทุกได้แล้วการวิเคราะห์แบบเนี้ย น, นี้เราพูดถึงตัวปัญญาอันเดียวนะถามว่าโพธิปัจขยธรรมมีเท่าไหรา่สามสิบ็ปัญญาอันเดียวก็บรรลุไม่ได้ถึงจะมีมีดผ่าตัดอยู่อันเดียวเนี่ยนะมีแต่ตรงคมด้วยพอไหมที่จะชําหละอะไรได้เขาบอกว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยถ้ามีดมีดระดับหนึ่งบางๆคมเนี่ย หรือแลกเข้าไปไม่เท่าไหร่เดียวก็หมดคมแล้วฉันใดปัญญาของเราทั้งหลายเนี่ยถ้าอาศัยสุตตะเพียงแค่เล็กน้อยสมาธิก็ไม่ค่อยดีกุศลธรรมอย่างอื่นบกพร่องวิจัยเข้าไปหน่อยนะปัญญาทื่อหมดเลยปัญญานี่ทื่อหมดเลยปิดพ่นลมเพราะว่า